มาดูต่อไปว่าโยคะแล้วนะมาถึงคันทะคันทะแปล ว, ว่าเครื่องร้อยรัดนะถ้าร้อยรัดนี่มันตึกถึงอะไรดีทั้งร้อยด้วยร้อยร้อยเสร็จแล้วก็รัดมัดแน่นเยนะอนันนะก็ร้อยไว้ก่อนคือคือร้อยเหมือนกับเย็บก่อนพอเย็บเสร็จแล้วมัดให้มันตึงอ่ะนะนั่นแหละเรียกว่าคันทะ อ, อืม แบบเย็บกระสอบเย็บอะไระนะเย็บผ้านะร้อยรอย้้อไปก่อนนะก็ดึงให้ตึงอ่ะนะแล้วก็เย็บเยบร้อยไปอีกแล้วก็ดึงให้ตึงอนะ่ะลักษณนะ น, นั้นแหละเรียกว่าคันทะนะเรียกว่าร้อยแล้วก็รัดเอาไว้ด้วยอํานาจอภิชาอ่นะร้อยแล้วก็รัดไว้อํานาจของความโกรธพยาบาทเนี่ยนะพยาปาทะกายคันทะมันร้อยก่อนนะสมมติเออแบบความรักเนี่ยเราก็โอ้เขาอะไรนะ ด, งงดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อ่ะนะของชื่นชมร้อยไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็รักแบบเออต้องต้องให้ได้ต้องเอาและความโกรธมันก็ร้อยเหมือนกันมันเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้เลวเลวสรารพัดเลวมหาเลวเสร็จแล้วเลวจริงๆมันต้องต้องเกลียดที่สุดเท่าที่จะเกลียดได้อันนี้เรียกว่าพญาปาทกายคันทะอันนี้ร้อยรัดไว้ด้วยอํานาจความรักร้อยรัดไว้ด้วยอํานาจของความ โกรธถ้ารอบรู้สิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงว่าสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เนี่ยนะด้วยอปะนิฮิตาวิโมกมกก็จะละความอร้อยรัดด้วยอำนาจความความโลภหรือด้วยอานาจของความโกรธคือปกติเนี่ยเพรา ะ, ะท่านแสดงไว้ว่ากายนี้เนี่ยนะถ้ากายนี้นะสมบัติสมบัติแ้วว่าถึงพร้อม ถึงพร้อมหมดเลยโดยปกติแล้วอภิชากายคันถะก็รอยระแต่ถ้าเมื่อวิบัติเมื่อใดวิบัติเมื่อใดเนี่ยนะสมบัติกับวิบัติเป็นของคู่กันพันถ้าวิบัติเมื่อใดวิบัติเมื่อใดพยาบาทก็จะเกิดขึ้น น, นะพยาบาทก็จะเกิดขึ้นอย่างสมมติให้ว่าถ้าดูอะไรดีแต่ถ้ามีรอยขีดรอยขวนรอยผุรอยพังอะไรเป็นต้นเนี่ยยังดีเท่าเดิมไหม ยังพอใจเท่าเดิมไหมบอกว่าไม่มีความพอใจเหมือนเดิมเท่าเดิมเช่นเดิมอีกต่อไปเพราะอะไร mm hmm. เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะสังขารทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งอภิชาและพยาบาทที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นที่ตั้งแห่งอภิชากับโทมานั์กายนี่เป็นที่ตั้งแห่งอภิชาและโทมานตเวทนาก็เป็นที่ตั้งแห่งอภิชากับโทมานต์ันใครที่ทวนมานะว่าใครที่กาหนดรู้กับพระลิงกราหานคนนั้นละ โสภาวิปลาสใครที่ละโสพาวิปลาสก็ไม่ยึดถือด้วยกามุปาทานผู้ที่ไม่ยึดถือด้วยกามุปาทานก็ไม่ถูกผูกไว้ด้วยกามโยคะแล้วก็เลิกร้อยรัดด้วยอํานาจอภิชากายคันทะแต่ว่าหนักแน่นต้องหนักแน่นด้วยทุกขานุปัสนาส่วนผู้ที่กําหนดรู้ผัสสะหารก็จะละสุขวิปลาสไม่ยึดถือในภพทั้งหลายไม่ถูกไว้ในไม่ถูกผูกไว้กับภพบ แล้วก็ไม่ถูกไม่ร้อยไม่รัดไว้ด้วยอานาจของพยาบาทเนี่ยนะพวกนี้ก็ด้วยอานาจของอปปนิหิตวิโมกหรือที่เราเรียกว่าทุกขานุปัสนาแต่ว่าการกำหนดรู้อาหารได้จริงและวิปลาสได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็ต้องระดับไหนพวกนี้อนาคามีมรรคทั้งหมดนะพวกนี้ต้องอนาคามีมรรคทั้งหมดเนี่ยนะทนก็อ้าแล้วคนที่ยังไม่เป็นพระอนาคามีเอาขม่มขมไมว้บ้างห็อยังดี น, นะ อะไรนะถ้าเป็นเป็นแบบมันยังไม่หายเด็ดขาดหรอกแต่ว่าไข้มันไม่ขึ้นก็เอาละนะให้ให้ไข่ไม่ขึ้นก็ใช้ได้ละแต่ถึงมันยังไม่หายเด็ดขาดก็กรอไปก่อนนะนะแต่ว่าให้มันระงับบรรเทาปวดก็ได้ก็ยังดีต่อไปว่าปรามาสกายขันธะเนี่ยย่อมถึงการหายไปด้วยสุญญาตาวีโมกปรามสกเนี่ยนะปรามสกแปลว่าการยึดถือ การยึดถือการร้อยรัดไปด้วยอำนาจความยึดถือชื่อเต็มก็คือศีลพัตตปรามาสกายคันทะยึดมั่นถือมั่นในศีนพลพรตยึดมั่นถือมั่นในข้อปฏิบัติที่ตัวเองกระทำโดยเฉพาะพวกพวกลทัทธิเดรธีทั้งหลายเดยรธีเนี่ยนะแปลว่าถ้าไม่คิดแบบพระพุทธเจ้าเมื่อใดนั่นแหละเดรธีหมดขเขาอานิยามอยู่ว่าเดรธีคือใครเดรธีคือคนที่คิดนอกคําสอนน่ะท่านนอกคําสอนเมื่อไหร่เรียกว่าเดรธี อันนะ่ะติดฐะเนี่ยนะก็ติดฐะก็คือนอกคำสอนนอกมรรคแปดอันนะถ้าความคิดใดข้อปฏิบัติใดที่ไม่เป็นไปตามศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8หรือไม่เป็นไปตามโพธิปัจจะธรรมข้อปฏิบัตินั้นไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าหรือข้อปฏิบัติอื่นๆที่ตัวเองตั้งขึ้นแล้วใส่ไว้ในนามพระพุทธเจ้าอันนั้นก็ยังเรียกว่าเดรัจฉิอีกอยู่ดีพรัน ข้อปฏิบัติเหล่านั้นความเข้าใจผิดเหล่านั้นถูกละได้ด้วยสุญญะวิโมกนะนะละด้วยสุญญะวิโมกเกินความว่างเปล่าคิดนะนวโอ้ยทำมาแทบตายเห็นมีอะไรสักอย่างเลยนะคล้ายแบบนั้นนะนะปฏิบัติแทบตายเห็นมีอะไรเลยว่างจากอะไรว่างจากสาระสิ้นดีไม่มีสาระเลยบางทีก็บอกว่าว่างว่างจากอะไรว่างจากสาระมันไม่มีความเป็นสาระอะไรเลย สุญญาตาเนี่ยแปลว่ามันไม่มีว่างจากสาระที่แท้จริงพรันสิ่งที่ทําเนี่ยนะจะทำมากทาน้อยทําอะไรบอกมันไร้สาระสิ้นดียอมก็ว่าโอ๊ยบางคนก็ว่าอะไรนะชีวิตเกิดมาตั้งหลายสิปีไม่เห็นไม่มีสาระอะไรเลยก็งั้นยอมก็เล่าให้ฟังนะบอกอุย้ยมาตั้งหกสิกว่าปีแล้วเห็นไม่มีสาระอะไรเลยชีวิตก็งั้นอา้าวมันก็ถูกแล้วไม่ได้เข้าใจผิดหรอกมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะมันไม่ไม่มีแก่นอะไรจริงๆริหรอกใช่ไหมสาระอันแปลว่าแก่นแลแก่นสารภาษาไทยนี่ชอบใช้ ภาษาไทยนะหลายอย่างชอบใช้ ค, คําคู่เช่นเล่นกีฬาจะแปลเป็นภาษาไทยว่าเล่นเล่นเล่นกับกีฬานี่มันแปลเหมือนกันกีฬาแปลว่าเล่นเล่นแปลว่ากีฬายช่นกนะแก่นกับศารเนี่ยนะแก่นก็คือแคลมหมาว่าแก่นกับศารสารก็คือแก่นแก่นก็คือสารนะนะั่นแหละอันเดียวกันนะั่นเลยเนี่ยน ะ, ะจิตกับวิญ ญ, ญาณอ่ะนะแม้ ไม่ทราบซึ้งถึงจิตใจกันเลยน่าจะรู้จิตรู้ใจกันบ้างอะไรเงี้ยนะอันนีค้คือภาษาไทยบางทีจะใช้ซ้ำซ้ำๆเนี่ยนะบางทีก็ขยายความบ้างบางทีก็ซ้ำซากบ้างก็แล้วแต่พวกพวกที่เห็นถึงความว่างเปล่าจริงๆจะรู้ว่าไอ้ข้อปฏิบัติใดที่เป็นไปกับศีพลพรดเนี่ยนะข้อศีลเนี่ยนะพรดๆมาจากคาว่าวะตะวะตะวะตะัดเนี่ยนะีระภาตะีละกะวะตะ วัตตที่เราเรียกว่าวัตศีลคือศีลแปลว่าอะไรสิ่งที่ทําโดยปกติเรียกว่าศีนวัตตาก็คือความประพฤติสิ่งใดที่ประพฤติด้วยความปกติที่ตัวเองชํานาญที่ไม่เดีเป็นไปตามมรรคแปดนั่นแหละเรียกว่าศีลพัตะปรามาตโดยเฉพาะกลุ่มลัทธิอื่นๆเนี่ยนะที่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อรยิยมรรคกลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะถ้าหากว่าอย่างถึงความว่างเปล่าไม่มีแก่นสาร จะเห็นว่าไม่มีไม่มีสาระอะไรเลยนะสัมนวนว่าทําแทบตายบางทีก็ทําจนตายก็ไม่เห็นว่ามันมีมีอะไรจากสิ่งนั้นเหมือนกันมันถ้าหากมองเห็นความว่างเปล่าไร้แก่นสารสาระของสิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นก็จะเลิกไปเองนะเขไม่เห็นว่ามันมันดีตรงไหนเลยเนะี่คล้ายว่าฟาวหมดเลยอ่ะไม่มีประโยชน์อะไรเลยทําไปแล้วมันไม่มีอะไรก็จะถึงการหายไปด้วยอํานาจสุญญตาวิโมก หลายเรื่องนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะเหมือนกับเดินทางมาเดินมาสักไกลเนี่ยนะพอบอกว่าเดินผิดทางแค่นั้นแหละงเลยนะแต่เอาเลยหมดเรี่ยวหมดแรงหมดนะคือคือไม่เห็นว่ามันมีอะไรบางเรื่องบางเรื่องเนี่ยทาแทบตายแล้วบอกมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเนี่ยแล้วอย่างบางคนที่บอกว่าโหชีวิตที่เกิดมาเนี่ยบางคนเนี่ยไปถึงโน่นอ่ะนอนหลอบนอนนะเนะกระแสรอยู่ใกล้เตียงสุดท้านยะมันได้อะไรบัางจากชีวิตไม่ได้อะไรเลยไม่มีสาระอะไรเลยอ่ะนะ ไม่มีแก่นสารสาระอะไรเลยทำแต่ความชั่วมาไม่ได้ทำความดีเลยเนี่ยนะวันนี้ก็จะเศร้าโศกเสียใจบางคนก็บอกพอบางคนเนี่ยนะพอคิดว่าเอ้ความดีไม่ได้ทำทำแต่ความชั่วปั๊บมิจฉาทิฏฐิแทรกเลยก็มีเฮคนอื่นเขาก็อย่างงี้ทั้งนั้นแหละน่ะอ่ะอละนะไม่ใช่เลวแต่เราคนเดียวนะคนโน้นก็เลวคนนี้ก็เลวเนี่ยนะเพราะเหมือนกับว่าไปอับายไม่ได้ไปคนเดียวอะ่ะดูซิอยู่กันเป็นฝูงฟุงเลยนะใช่ไหมอยู่กันเป็นฝูงเลยปลวกก็เป็นฝูง ปลาก็เป็นฝูงช้างเป็นต้นก็อยู่กันเป็นฝุงฝูงทั้งนั้นแหละเราไม่เหงาแล้วเนี่ยนะบางคนเนี่ยก็เลยไปหามิจฉาทิฐิส่งไปอีกก็มีแต่สรุปว่าศีล<ะ>พรนเนี่ยนะสิ่งที่ทําคําที่พูดความรู้สึกนึกคิดวิธีดําเนินชีวิตทั้งหมดถ้าบางคนเนี่ยเห็นความว่างเปล่าวความไร้สาระของสิ่งเหล่านั้นก็จะละความละการกระทําเหล่านั้น ส่วนสุดท้ายคืออีทางสัจจาพินิเวศกายคันธะย่อมหายไปด้วยอนิมิตตวิโมกอีทังเนี่ยแปลว่าสิ่งนี้สัจจังสัจจาอภินิเวศแปลว่าการยึดถือกายคันธะก็คือการร้อยรัดนามกายเนี่ยนะรัดอร้อยรัดด้วยอํานาจความยึดถือว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่ใช่นะฉันคิดเท่านั้นแหละถูกต้องคนอื่นคิดผิดหมดนะความคิดของฉันเท่านั้นถูกต้องความคิดของคนอื่นผิดหมด แล้วคุณคิดอย่างนี้วันละกี่ครั้งล่ะแล้วเมื่อก่อนคุณเคยคิดอย่างนี้ไหมแล้วคุณจะคิดอย่างนี้ตลอดไปใช่ไหมบอกไม่เมื่อก่อนก็ไม่ได้เคยคิดอย่างนี้หรอกมาอยู่ๆความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวไม่นานเดี๋ยวก็เลิกคิดแบบนี้แล้วอ้าวแล้วคุณจะสําคัญมั่นหมายกับความคิดนี้ว่ามันยั่งยืนได้อย่างไรก็เมื่อความคิดเหล่านี้มันเป็นของไม่ยั่งยืนเมื่อความคิดเหล่านี้เป็นของ ไม่เที่ยงเมื่อยึดความคิดเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงแล้วจะสำคัญหมายไปยังไงถ้าเห็นว่าความคิดเหล่านี้ไม่เที่ยงก็ละอิทังสัจจาพินิเวสกายขันทะละความสำคัญผิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นผิดถ้าเห็นเรื่องความไม่เที่ยงนะโดยเฉพาะใครที่ยึดถือความคิดของตัวเองเนี่ย เ, เมื่อก่อนก็ไม่ได้เคยคิดอย่างนี้แล้วจะคิดอย่างนี้ตลอดไปไหมความคิดตัวนี้แน่นอนจริงหรือเป็นต้นเนี่ยถ้าเกิดการ อะไรนะงัดแงความคิดเหล่านั้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ละความสําคัญว่าแน่นอนเนี่ยนะก็จะเลิกยืนยันทางความคิดได้การเลิกยืนยันทางความคิดได้นะัน่นแหละเรียกว่าอ่าอีทางสัจจาพิเิเวสกายคันทะย่อมถึงการละหรือดับไปหายไปด้วย อ, อํานาจอนิมิตตาวีโมกโมกก็เห็นถึงความไม่เที่ยงก็ไม่รู้จะยืนยันความคิดเหล่านั้นไปนทําไม สรุปว่าผู้ที่เห็นผู้ที่กําหนดรู้มโนสัญเจตนาหานจะละอะไรละอัตตวิปลาผู้ติละอัตตวิปาลตตปาภได้ก็ละความยึดถือด้วยอํานาจอั ต, ตวาทุปาทานและอํานาจะละอั ต, ตวาทุปาทานได้ก็ละอวิชาโยคะได้ถ้าละอวิชาโยคะได้ก็ต้องละความยึดถือว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่ใช่ได้ที่ละได้อย่างนี้ก็ด้วยอํานาจ อ น, นิมิตตวิโมกก็หรืออ น, นิจานุปัสสนานั่นเองในธรรมะหัวข้อที่6เนี่ยนะนะธรรมะหัวข้อที่6คืออาสะวะอาสะวะนี่แปลว่าสิ่งที่ที่หมักสิ่งที่ที่ดองเนี่ยนะถูกหมักถูกดองเช่นถูกหมักดองด้วยอํานาจเกี่ยวกับเรื่องกามกับด้วยอํานาจพบเนี่ยนะหมักดองด้วยอํานาจกามด้วยอํานาจพบย่อมหายไปด้วยอัปปนิหิตาวิโมกเนี่ยนะ หมายคำ ว, ว่าถ้าหากว่าเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นความทุกข์เนี่ยนะจะหมักยะดองต่อไปอีกไหมนะแช่ไว้กับความทุกข์หมายอะไรนะถ้าเราเห็นว่าแผลนี่มันเน่าแล้วก็เน่าเรื้อรังด้วยแล้วก็จะลุกลามไปด้วยถามว่าจะหมักเก็บรักษาแผลเหล่านี้ต่อไปไหมบอกไม่เอาแล้วเนี่ยนะถ้าเห็นว่าเห็นว่าความหมักดองเหล่านี้นํามาเสื่อความเลวร้ายก็จะละอาการหมักดองไว้ด้วยกามแล้วก็ด้วยพบออกไปได้ ส่วนทิฏฐาสะวะเนี่ยนะมักดองด้วยความเห็นเนี่ยนะมักดองเรื่องความเห็นเนี่ยก็ถูกละอะไรว่าถึงการหายไปด้วยสญญตะวิโมกอวิชชาสะวะเนี่ยนะก็ถูกละไปด้วยอนิมิตตาวิโมกเนี่ยนะคือถ้ารู้ความจริงได้เห็นความเป็นของไม่เที่ยงได้จริงๆก็ละอวิชชาได้เนี่ยนะคเรียกว่าอะไรนะตื่นสักทีหนึ่งเลิกโง่เลิกข่าว่างั้น กาโมคะกับพวคะเนี่ยนะย่อมถึงการหายไปด้วยอปปนิหิตะวิโมกอปปนิหิตะวิโมกก็คือทุกขานุปัสสนานั่นแหละทุกขานุปัสสนานี่ถ้าเห็นด้วยความเป็นทุกข์ก็จะละกิเลสที่ท่วมทับคือกามกิเลสที่ท่วมทับคือภพเนี่ยนะเพราะโอคะเนี่ยหมายถึงอ่ห่วงน้ําที่มันไหลบ่าท่วมทับแบบที่ที่อะไรนะฝนตกหนักๆใช่ไหมน้ําป่าก็บ่าไหลมาท่วมทับอันนั้นลักษณะของโอคะ ผู้ที่เจริญอปปนิหิตานุปัสนาม마 ก, ก็จะละ <c oughs> ละอะไรละอับละกิเลสที่ท่วมทับเนี่ยนะคือด้วยการเจริญอปปนิหิตาวิโมกส่วนทิฏโขคะกิเลสที่ท่วมทับคือมิจฉาทิฏฐิถึงการหายไปด้วยสญยตาวิโมกกิเลสที่ท่วมทับคื่อวิชาย่อมถึงการหายไปด้วยอนิมิตะวิโมก อันนี้จังทุกขังอนัตตานี่รักษาได้ทุกโรคเลยนะเออดีนะะต้องกลับไปเจริญให้มันเจงๆเลยนะรักษาได้ทั้งหลายอย่างเลยกันเนี่ยนะออกจากทุกได้เนี่ยดูที่ข้อสําคัญเนี่ยต่อไปนะถอนลูกศรได้เนี่ยลูกศรคือราคา่าลูกศรคือโทสะย่อมหายไปด้วยอัปปะนิหิตาวิโมกอัปปะนิหิตาวิโมกถูกถอนเลยลูกศรคือราค่าที่มันเสียดแทงอยู่ในใจลูกศรคือราค่าเนี่ยนะชาวโลกก็ชมกันนะอะไรนะ การมเทพแแลงสอนหรือเาว่ากันการมาเทพแแลงสอนรือว่าราคามันแผลงนะเสร็จแล้วถ้าราคาแแลงสอนแล้วก็โทสะก็แผลงตามมาอีกดอกหนึ่งอันนั้นดอกแรกแหมชื่นใจเหลือเกินนะดอกที่สองมาเจ็บปวดอย่างสุดซึ้งเขว่ากันทีนี้พวกนี้จะถูกละหายไปด้วยอั ป, ปนิหิตะวิโมกเนี่ยนะก็ต้องเจริญอั ป, ปนิหิตานุปัสนามากๆแล้วก็พวกการมาเทพจะเลิกแแปลงสอนถูกเลิกถูกยิงซะที ส่วนลูกสอนคือมานะนะย่อมถึงการละหรือถึงการหายไปด้วยสุญญตาวิโมก ค, คือถ้าเห็นถึงความว่างเปล่าความไม่มีแก่นสารคือความเที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะมันจะไปมานะอะไรกันะกันานะใช่ไหจะไปยึดถืออะไรกันมากมายจะไปสำคัญหมายอะไรกันเหลือเกินเนี่ยนะรามันว่างเปล่าอะโมหสะัตละลูกสอนคือความโง่เขาย่อมถึงการหายไปด้วย อนิมิตตวิโมกเนี่ยนะหมายความว่าถ้าเห็นถึงความไม่เที่ยงก็เลิกโง่สักทีหนึ่งนะส่วนวิญญาณทิติที่เกี่ยวกับรูปและเวทนานวิญญาณทิติคือจิตที่ตั้งอยู่ในรูปจิตที่จิตที่ตั้งอยู่กับเวทนาย่อมถึงการหายไปด้วยอัปะนิหิตาวิโมกย่อมถึงการกําหนดรู้ด้วยอัปะนิหิตาวิโมกคือถ้ากําหนดรู้สิ่งนั้นด้วยว่าตัวนั้นคือตัวทุกเนี่ยนะ ถ้าเห็นว่าสิ่งนั้นคือตัวทุกข์เอาใจไปเกาะไว้ตรงนั้นไหมสมมติเราคิดว่าสิ่งนั้นคือของร้อนแล้วยังจะ ย, ยังจะไปจับอยู่กับของร้อนไหมก็ไม่เอาแล้วนะเหมือนกับว่าถ้าสิ่งใดที่มีแต่น้ำเนี่ยนะจะเอามือไปเกาะกับตอกไว้กับน้ำแล้วคลูดลงมาไหมบอกไม่ทําชั้นใดก็ดีผู้ที่วิญญาณทั้งหลายเนี่ยนะถ้ารู้ว่ารูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์เนี่ยนะจิตก็ไม่ถึงการ ตั้งมั่นเกาะเกี่ยวแล้วก็จิตเหล่านี้จะได้รับการกำหนดรู้นะถึงถึงทปริญญากับสิ่งเหล่านั้นนะด้วยยาตะตีรณะจนถึงปหานะปริญญาได้ <c oughs> ส่วนวิญญาณทิติที่เกี่ยวกับสัญญาก็คือใจที่ตั้งอยู่กับสัญญาเนี่ยนะย่อมถึงการกำหนดรู้ด้วยสุ ญ, ญาตาวิโมกเนี่ยนะโดยเฉพาะสัญญาเนี่ยนะสิ่งที่เราสำคัญหมาย สำคัญหมายทั้งด้วยการสัญญาพยาบาทสัญญาและวิหิงสาสัญญาจริงๆแล้วนะสิ่งที่เราสำคัญหมายเหล่านั้นจริงๆก็มีแต่ความว่างเปลา่าเราจะสำคัญหมายว่าดีขนาดไหนก็ตามเราจะสำคัญหมายว่าเลวขนาดไหนก็ตามความสำคัญหมายเหล่านั้นก็มีแต่ความว่างเปลา่าตัวตั ว, ตวความคิดของเราจริงๆนะหลายๆเรื่องนะตัวความคิดของเราเนี่ยถ้าเราเอา คือสัญญามันเกิดร่วมกับความคิดใช่ไหมไอ้ความสัญญาไอ้สัญญาตัวสําคัญหมายกับความคิดเนี่ยนะแล้ววันหนึ่งเราคิดกี่เรื่องเนี่ยและสิ่งที่เราสําคัญว่ามันยังงั้นสําคัญว่าเป็นอย่างนี้สําคัญหมายแล้วตามมาด้วยตันหามานะที่ทีแล้วเออความสําคัญนี่มันมีสาระอะไรบ้างในนั้นก็จะเห็นว่าไอ้ความคิดเหล่านั้นความสําคัญหมายเหล่านั้นไม่มีสาระแก่นสารเลยที่พระ อ, องค์บอกว่าโลกไม่มีแก่นสารไร้แก่นสารปราศจากแก่นสารนะนะ เพราะมันไม่มีแกนสารจริงๆความสําคัญหมายอยู่แล้วและไอ้สิ่งที่เราสําคัญหมายก็แปลว่าสิ่งที่เราเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นเชื่อมันเป็นอย่างนี้นความเชื่อเชื่อของเราที่เราเชื่อด้วยอำนาจอากุศลทั้งหลายเนี่ยนะมันมั่นคงแน่นอนอะไรบ้างไหมนี่มีความมั่นคงอะไรเลยน่ยนะก็มีแต่ความว่างและเปล่าส่วนวิญญาณทิฏฐิที่เกี่ยวกับสังขารย่อมถึงการกําหนดรู้ด้วยอนิมิตตวิโมกพวกสังขารทั้งหลายเหมือนอะไรนะเหมือน กาบกล้วยเหมือนต้นกล้วยเหมือนกับกาบกล้วยที่มันหุ้มมุหม่ ห, มหุมกันอยู่จิตที่ตั้งมั่นอยู่กับสังขารทั้งหลายคือเจตสิกทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเห็นถึงความไม่เที่ยงเช่นภาษาก็ไม่เที่ยงนะภาษะไม่เที่ยงเจตนาไม่เที่ยงสติเอ่อสมาธิเป็นต้นวิโตวิจารณทิโมกวิริยะปีติฉันทะสิ่งเหล่านี้ก็มีแต่ถึงสภาพที่ไม่เที่ยงเนี่ยนะเพราะถ้าหากว่าการกําหนดรู้ แบบนี้บ่อยๆด้วยความเป็นของไม่เที่ยงก็จ ะ, จ ะ, ะนะจะกรณนะถ้าเจริญอนิจจานุปัสนามากๆเท่ากับเป็นการกำหนดรู้วิญญาณทิฏฐิที่เกี่ยวกับสังขารใจที่ตั้งอยู่กับสังขารก็ได้รับการทำปริญญารอบรู้หมดหัวข้อสุดท้ายบอกว่าการถึงฉันทาคติและการถึงโทสาคติย่อมหายไปด้วยอัปปนิหิตวิโมกอัปปนิหิตาวิโมก ถ้าเห็นโดยความเป็นทุกข์เนี่ยนะถ้าเห็นว่าโดยความเป็นทุกข์เนี่ยนะคือหมายคือว่าเราจะเข้าข้างบางเรื่องเนี่ยนะก็เราเห็นว่าเออถ้าเข้าข้างแบบนี้แล้วเราจะสุขใช่ไหมแต่ถ้ารู้ว่าเราเข้าข้างไปตามนั้นแล้วจะต้องเดือดร้อนตามมาเราจะเข้าข้างไหมอะไรเราก็ไม่เข้าข้างนะบางทีเราแสดงอาการงี่เง่าออกมาบางอย่างไนะนึกว่ามันจะดีถ้ารู้ว่ามันเลวเนี่ยเราจะทํางี่เง่าแบบนั้นต่อไปไหมไม่เอา ชั้นใดก็ดีไอ้ชั้นท่ากติก็เหมือนกับเข้าข้างที่เรียกว่าลำเอียงอะนะเข้าข้างอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาก็เราเนึกว่าดีแน่ถ้าเราเข้าข้างแบบนี้นะแต่รู้ว่าพอเข้าข้างจบแล้วโอ้โหเสียหายอย่างชนิดที่เรียกว่าจ่ายแพงที่สุดเลยเนี่ยนะมันจะยอมเข้าข้างไห ม, มากิริยาบางอย่างที่เรางี่งเง่าแสดงกิริยากโกรธออกมาแล้วรู้ว่าความเสียหายที่เกิดจากความโกรธนั้นอะ่ะมันจ่ายแพงมากขนาดนั้นเราจะเอาไหมก็ เพราะใครที่เจริญเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความพุกเท่าใดจะเลิกมีอคติด้วยฉันทะและโทสะเนี่ยนะจะเลิกรักแล้วก็เลิกชังเนี่ยนะเลิกลำเอียงด้วยความชังแล้วก็เลิกลําเอียงด้วยความรักการถึงพยาคติย่อมถึงการหายไปด้วยสุญญตาวิโมก ค, คือหมายถึงว่าความกลัวทั้งหลายการที่เรากลัว สิ่งใดที่เรากลัวเนี่ยนะก็เนื่องจากว่าเราเห็นนึกว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันดีหรือนึกว่าสิ่งนั้นอ่ะยิ่งใหญ่มีอำนาจหรือว่านึกว่าสิ่งนั้นอ่ะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะความโง่เขลาเพราะเราไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาไปรอบรู้รอบรู้เชี่ยวชาญแตกฉานเข้าใจอย่างทะลุ ป, ปรุโ ป, ปรงจะเลิกกลัวสิ่งนั้นทันทีอย่างหลายๆอย่างบางบางทีเรากลัวเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งก็เพราะเนื่องจากเราไม่รู้จักสิ่งนั้น ถ้าเรารอบรู้ในสิ่งนั้นดีด้วยอํานาจสุญญตระหรือด้วยอํานาจปัญญาที่เข้าไปรอบรู้เราก็เลิกกลัวสิ่งนั้นส่วนโมหะคติเนี่ยนะโมหะคติถึงการหายไปด้วยอนิเมตตาวิโมกขันถ้าเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงการลำเอียงด้วยความโง่เขาก็ถูกละออกไปทำรรที่เป็นไปตามโลกโล ก, กวัฏเนี่ยนะวัตะคือโลกทั้งปวงมีประการดังกล่าวนี้คือคือ ทั้งสิบหัวข้อเนี่ยนะเาเรียกว่าโลกวัตตะหรือวัตตะที่เป็นไปในโลกเนี่ยนะย่อมออกจากโลกหรือออกจากวัตตะเหล่านี้ด้วยวิโมกมุกสามทบทวนที่ผ่านมาว่ากับพลิงกระหารก็ต้องกำหนดรู้ด้วยอปปนิหิตาวิโมกสุภาพวิปรลาตต้องละด้วยอปปนิหิตาวิโมกกามุปาทานละด้วยอปปนิหิตะวิโมกกามโยคะละด้วย อปะนิหิตาวิโมกอภิชาการยคันถะละด้วยอปะนิหิตาวิโมกกามาสวะละด้วยอปะนิหิตาวิโมกกาโมคะละด้วยอปะนิหิตาวิโมกราคะสาระลูกศรคือราคะละด้วยอปะนิหิตาวิโมกกาหนดรู้วิญญาณทิติที่เข้าถึงรูปด้วยอปะนิหิตาวิโมกละฉันทากติด้วยอปะนิหิตาวิโมกมีอยู่สองข้อข้อหนึ่งกับข้อเก้า ใช้คำว่ากำหนดรู้หรือปริญญาเนี่ยนะส่วนข้อ2จนถึงข้อ10เนี่ยนะเว้นสองข้อนีก็เรียกว่าใช้คำว่าละหรือหายไปเนี่ยนะละกับละละถูกละออกไปกับทำให้หายไปนี่อันเดียวกันกำหนดรู้กับพลงกาหานกับกำหนดรู้วิญญาณทิติที่เข้าถึงรูปอันนี้เป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ ถ้ากำหนดรู้กับพลิงกราหานกับกำหนดรู้วิญญาณที่วิญญาณติติที่เข้าถึงรูปได้อย่างนี้จะละรมที่ควรละสิ่งที่ควรละคืออะไรคือวิปลาสกามุ ป, ปาทานกามโยคะอภิชากายคันถากามาสวะกามโมคะลูกสอนคือราคะแล้วก็ฉันถาคติออกไปได้จริงนะข้อนี้เนี่ยก็อยู่ในอะไร กายานุปัสนาสติปัฏฐานถ้าใครเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยนะเครื่องมือที่ไปเจริญตามนี้ทั้งหมดคือกายานุปัสนาสติปัฏฐานนั่นเองันผู้ที่เจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานจริงจะล ะ, ะกําหนรู้กับะลิงกราหานจะ กำหนดรู้วิญญาณทิติที่เข้าถึงรูปสา ม, มารถละโสภวิปลาละกามุปาทานละกามโยคะละพิชากายคันธละกามาสวะละกามโมคะละลูกศรคือราคะละฉันทาคติได้เนี่ยนะอันนี้คือประสิทธิภาพคุณภาพของกายานุปัสนาสติปฐาน ถ้าเจริญตามนี้จริงสรุปว่าถ้าเจริญกายานุปัสสนาซึ่งเป็นสิ่งที่ควรเจริญก็จะกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้คือกับทลิงกราหานและวิญญาณทิติจะมีการละวิปลาสอุปาทานโยคคันธะอาสวะโอคะสาละอคตนะิก็จะมีการละสิ่งที่ควรละกําหนด เ, เจริญเท่าใดละเท่าใดกําหนดรู้เท่าใดก็ชื่อว่าทําให้แจ้งเท่านั้นชื่อว่าทําให้แจ้งเท่านั้น ต่อไปผัสสะาาหารภาสาหารก็คือพวกเจริญเวทนานุปัสสนานะผัสสหารเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้วิญญาณทิติที่เข้าถึงเวทนาก็ควรกําหนดรู้ผัสผู้ใดกําหนดรู้ภาสาหารกําหนดรู้วิญญาณทิติที่เข้าถึงเวทนา ด้วยเวทนานุปัสนาเขาจะละสุขวิปลาดละภวุปาทานละภวโยคะละพยาปาทกายขันทะละภาวะละภวคะละโทสะสละละโทสาคติไปได้นะถ้ากําหนดรู้ภาษาหารกับวิญญาณทิติที่เข้าถึงรูปเขาชื่อว่าเจริญสิ่งที่ควรเจริญคือเวทนานุปัสนาสติปฐากนกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้คือภาษะและเวทนา เพราะฉะนั้นพวกวิปลาสอุปาทานโยคะทันธาอาสวะโอคะสาละอักเตก็ถูกละออกไปมันถ้ากำหนดรู้เท่าใดก็ละเท่านั้นถ้าละเท่าใดก็เจริญได้เท่านั้นถ้าเจริญได้เท่าใดก็ทำให้แจ้งเท่านั้นนะนันที่าที่สองเนี่ยนะผัสสาหารสุขาวิปลาระวุปาทานเป็นต้นกลมเหล่านี้ก็คือคืออะไรคือการเจริญเวทนานุปสนาเนี่ยนะ นต่อไปวิญญาณอาหารนิจวิปลาททิฏฐปาทานทิฏโยฆาศีลัตะปรามาสกายคันธะทิโะมานณสละสนันนะวิญญาณทิฏฐิที่เข้าถึงสัญญาและพยาคติสิ่งเหล่านี้จะต้องต้องออกด้วยวิโมกอะไรสุญญาตาวิโมกนนะออกด้วยสุ ญ, ญาตาวิโมก สุญญาตาวิโมกเนี่ยเป็นตัวที่ออกจากวิญญาณอาหารนิจจวิปปล่าที่ถูกปาทานทิฏโยคัสีละพัตะปรามาสกายะันธะเป็นต้นเนยนะอันสุญญตาวิโมกก็คือการเจริญตรงนี้ยกก็คือการเจริญจิตาาจตานุปัสนาพันธจิตตานุปัสนาก็จะมีการกําหนดรู้วิญญาณอาหารกําหนดรู้วิญญาณทิฏฐิที่เข้าถึงสัญญาเนี่ยนะกำหนดรู้วิญญาณทิฏฐิที่เข้าถึงสัญญาได้เพราะันธ์ก็จะละ ความวิปลาดว่าเที่ยงละความยึดถือด้วยอำนาจทาทิฏฐิละการผูกประกอบไว้ด้วยทิฏฐิละข้อปฏิบัติที่ผิดละการยึดถือในข้อปฏิบัติผิดๆ น, นะเลิกหมักดองด้วยความเห็นผิด น, นะห้วงน้ำที่ไหลท่วมทับคือทิฏฐิก็ไม่ท่วมทับไม่ถูกลูกสอนคือมานะทิมแทงก็ไม่ต้องกลัวอะไรต่อไปเนี่ยนะก็ละความความกลัวออกไปได้ก็ด้วยอำนาจสุญญะวิโมก ทีนี้ต่อไปออมโนสัญเจตนาหารอัตตาวิปลาสอัตวาทุปาทานในทิสาที่สี่เนี่ยนะอวิชายโยคะอีทางสัจจพินิเวสากายคันธะาอาวิชชาสวะอวิชโขชะโมหสัลละวิญญาณทิฏฐิที่เข้าถึงสังขารโมหคติสิ่งเหล่านี้ต้องอะไรทำมานุปัสสนาสติปทานนะ ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะกำนัล ร, รู้มโนสันเจตนาหานจะกกำนัล ร, รู้วิญญาณทิติที่เข้าถึงสังขารละอัตตวิปลาดละความยึดถือด้วยอำนาจอัตวาทุปาทานละเครื่องผูกเครื่องผูกคือวิชายโยคะละความยึดถือว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่ใช่ละเครื่องหมักดองคือวิชาละห้วงน้ำคือวิชาถอนลูกศอนคือโมหะเลิก มีอคติคือความโง่ความเขลา น, นะนะโอีกครั้งว่าอปปนิหิตาวิโมกคืออนิจจานุปัสนาสุญญาวิโมกคืออนัตตานุปัสนาอานิมิตาวิโมกคืออนิจานานจานุปัสนาอานิจจานุปัสนาชื่อเต็มเรียกว่าอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาและอนัตตานุปัสนาอนุปัสนาเหล่านี้เรียกว่าบวกสติปทานเรียกว่ากายถ้ามีกายเป็นอารมณ์ เรียกว่ากายานุปัสนาสติปทานถ้ามีเวทนาเป็นอารมณ์ก็เรียกว่าเวทนานุปัสนาสติปทานถ้ามีจิตเป็นอารมณ์ก็เรียกว่าจิตตานุปัสนาสติปทานถ้ามีธรรมทั้งหลายเป็นอารมณ์ก็เรียกว่าธรมมาสติธรรมานุปัสนาสติปทานทัานสติปทานที่เป็นอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตตานุปัสนาอนิจจานุปัสนาก็คืออนิมิตตาวิโมกทุกขานุปัสนาก็คืออัปนิหิตาวิโมก สัญญ า, านุปัสนาก็คือสุญญาวีมโมมันถ้าเจริญอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตตานุปัสนามีกายเป็นอารมณ์ก็คือกายานุปัสนาดังกล่าวไปแล้วก็จะมีการกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้จะมีการละสิ่งที่ควรละเพราะการเจริญสิ่งที่ควรเจริญมันการเจริญสิ่งที่ควรเจริญเหล่านี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นธรรมที่นําออกจากวัตต์นี่นะเป็นธรรมที่นําออกจาก ทุกมืนธรรมะที่นําออกจากทุกขมีอะไรบ้างก็คือปฏิปทาสี่สติปทาน4ี่ฌาน4ี่วิหารธรรมสีสัมมปทานสี่อัจฉริยภูตธรรม4อธิฐานธรรมสี่สมาธิภาวนาสีสุขภากกายสี่และอปปมาณธรรม4คุณธรรม10ประการเหล่านี้เนี่ยนะคุณธรรม10ข้อเหล่านี้เป็นคุณธรรมที่นําออกจากวัตเนี่ยนะเป็นคุณธรรมที่นําออกจากกรรมและกิเลสที่เป็นต้นเหตุแห่ง สังสารวัตรนำออกยังไงก็คงเป็นตอนบ่ายตอนนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน